สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่หกสิบสานะครับภายใต้หัวข้อย่อยคือเต็มใจเป็นสาวกเต็มใจเป็นสาวกนะครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่หนึ่งข้อสิบหกจนถึงข้อที่ยี่สิบนะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าขณะที่รปรงเสดไปตามชายทะเลศาสกาลีลีก็ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงสองคนคือ ซีโมนกับแอนดรูน้องของซีโมนกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบเปโตรจัส ก, กับเขาว่าจงตามตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลาเขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันทีขั้นพระองค์ทรงดำเนินต่อไปหน่อยหนึ่งก็ทอดพระเนตรเห็นยากอบุตรเสบดีกับยอนน้องชายของเขากาลังชุนอวนอยู่ในเรือในทันใดนั้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขาเขาจึงละเสบดีบิดาของเขา ไว้ที่เรือกับลูกจ้างและได้ตามโปร่งไปขอพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้ที่จะยินได้ฟังและเกิดผลตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าในการเป็นสาวกของพระเยซูนั้นเข้าต้องเข้าสู่กระบวนการครับแต่ก่อนอื่นทบทวนการตอบสนองก่อนนะครับเราจะเห็นว่าการตอบสนองของสาวก ชุดแรกสี่คนนี้นะครับของพระเยซูนั้นเขาละแหนะครับเขาตัดสินใจทันทีครับนะครับประการแรกคือว่าเขาตัดสินใจทันทีนะครับในการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพเปเยซูประการที่สองครับบางทีใช้คําว่าสลัสิ่งสารพัดหรือสละหรือละบิดานะครับหรือละอาชีพ ข, ของเขาซึ่งเขาจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างนะครับในการติดตามพระเยซู แสดงว่าเขาจะต้องเห็นว่าการติดตามพระเศษชูนั้นมีคุณค่าสูงมากกว่าสิ่งของที่เขามีอยู่ชีวิตที่เขามีอยู่นะครับประการที่สามครับก็คือว่าติดตามติดตามนั้นมีความหมายว่าจะต้องเป็นมีชีวิตที่เรียนแบบพระอาจารย์ครับมีชีวิตที่เรียนแบบพระอาจารย์นะครับหมายถึงบุคคลบุคคลหนึ่งยอมรับการเรียกและรับภาระรับผิดชอบนะครับและก็ไม่เพียงแต่รับคําสอนเท่านั้นยังจะต้องรับความคิดนะครับ ชีวิตในการดําเนินไปแต่ละวันของพระอาจารย์ด้วยที่น้องครับนี่ครับคือสามประการนะครับของคนที่จะตอบสนองต่อการเป็นสาวกททบทวนครับหนึ่งก็คือต้องตัดสินใจครับนะครับตัดสินใจทั้งสี่คนนั้นตัดสินใจทันทีในการติดตามพระเยซูนะครับประการที่สองก็คือว่าพวกเขานั้นจะต้องสละนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับและประการที่สามก็คือว่าเขาจะต้อง ยอมรับการเรียกและรับผิดชอบในการเป็นสาวกนะครับไม่เพียงแต่รับคำสอนยังจะต้องรับความคิดวิถีการดาเนินชีวิตด้วยนั่นคือความหมายั้งว่าติดตามครับพี่น้องครับเราจะดูในวันนี้นะครับถึงบทเรียนยต่างที่เราได้มาเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราถามพเพราะผมอยากจะถามพี่น้องครับว่าพระเยซูต้องการสาวกหรือเปล่านะครับพระเยซูจะต้อง ต้องการสาวกมาทํางานแทนพระเยซูหรือเปล่าคําตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจนะครับขนาดไหนแล้วเราจะรู้เลยครับว่างานางต่างๆที่พวกเราทําอยู่เนี่ยพระเยซูทรงกระทําได้หมดครับพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเพียงพอที่จะทํางานของพระองค์ให้สําเร็จด้วยพระองค์เองได้อย่างแน่นอนนะครับและคําถามต่อไปก็คือว่าถ้าเช่นนั้นทําไมจะต้องเรียกสาวกและเลือกเขาออกมาครับ พี่น้องครับคนเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้กันรับใช้พระเจ้านะครับเราเห็นนะครับว่าพร ะ, พร ะ, พระเยซูนั้นกําลังฝึกฝนสาวกของพระองค์นะครับในชุดแรกนี่มีสี่คนครับและต่อมาก็เป็นสิบสองคนต่อมาก็เป็นเจ็ดสิบคนนะครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูทรงทราบแผนการของพระเจ้าครับหลังจากที่พระองค์จะเสด็จคืนสู่สวรรค์แล้วภาระหน้าที่การเทศนาภาะกิตติคุณยังจะต้องดําเนินต่อไปพระเยซูทรงเตรียมสาวกให้พร้อม ที่จะทํางานรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูทรงเรียกคนประเภทไหนครับเราเห็นนะครับว่าสี่คนแรกที่เป็นสาวกของพระเยซูพระเยซูทรงเรียกคนธรรมดาสามัญเป็นชาวประมงครับเป็นคนที่ทำมาหากินครับจับปลามาขายพระเยซูทรงเรียกเขาเมื่อไหร่ครับพระเยซูทรงเรียกในขณะที่เขากําลังรุ่งอยู่ในวิชาชีพของเขาใช่ไหมครับกําลังขมักขม้นทํางานซักอวนชุนอวนนะครับเป็นคนขยันขันแข็ง พี่น้องครับเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับเป็นคนที่ทํางานนี่คือคุณสมบัติครับถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะทํางานเรามีความขยันขันแข็งที่จะทํางานเรารักงานที่เราทาอยู่เปโตรต้องการอุปนิสัยพื้นฐานอย่างนี้นะครับพระองค์ก็ส่งเรียกด้วยพระสติปัญญาและด้วยความเฉลียวฉลาดของพระองค์พี่น้องครับเราจเห็นนะครับว่าเมื่อพระเยซู ข, ขอใช้เรือของพวกเขาข้อเท็จจริงเหล่านี้ทําให้ทราบว่า พวกเขาไม่เพียงแต่เป็นชาวประมงนะครับแต่เขานั้นยังจะต้องอะไรครับยังต้องเป็นคนที่รับผิดชอบดูแลกิจการประมงของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าหลายๆครั้งพระเยซูได้ทรงเรียกคนที่มีอะไรครับคนที่มีความหวังนะครับมีอนาคตสูงเพื่อที่จะติดตามพระเยซูครับพี่น้องครับเราจะดูต่อไปนะครับสมมุติว่าเรา จินตนาการว่าตัวเองทำงานอยู่สมมุติว่าพระเยซูทรงผ่านมาแล้วแวะดูเราทํางานพระเยซูจะเห็นอะไรบั้งครับจะเห็นว่าเราขมักขม่นทํางานนะครับทํางานแบบขอไปทีหรือเปล่านะครับทํางานเพื่อที่จะได้ค่าล่วงเวลาหรือเปล่านะครับหรือทํางานที่ตั้งใจตั้งใจมุขอุตสาหะทําอย่างดีที่สุดไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรพี่ลองครับลองจินตนาการดูนะครับ ว่าเมื่อพระเยซูมาเห็นเราทำงานแล้วพระเยซูตรัสเรียกเราไหมว่าเราอยากจะให้เจ้ามาเป็นสาวกของเราเราจะสอนเจ้าให้เจ้าจับคนดังจับปลาให้เจ้าทำงานของเราเหมือนกับที่เจ้ากำลังทำงานของเจ้าอยู่ณเวลานี้นะครับพี่น้องครับเราจะว่าไงครับหาว่าพระเยซูเรียกเราเราจะละจากอาชีพของเราไหมนะครับ พวกเราส่วนใหญ่ครับไม่ต้องถึงกับเลิกลาอาชีพครับแต่พวกเราส่วนใหญ่จะต้องสละเวลาครับในการศึกษาเรียนรู้การเป็นสาวกและทาหน้าที่ของสาวกโดยบอกกล่าวเรื่องราวของพระเยซูให้คนอื่นฟังครับและนำพวกเขามาเป็นสาวกสร้างพวกเขาต่อไปพี่น้องครับเราจะต้องพิจารณานะครับว่าเราจะช่วยงานของพระเยซูทางใดบ้างครับพระเยซูทรงประสงค์ให้คนทั้งโลกได้รับความรอดครับ ทรงคาดหมายคริสเตียนแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่ส่วนของตัวให้ลุลวงนะครับหากเราเป็นคริสเตียนผมถามนะครับว่ามีใครสอนเราไหมในเรื่องการเป็นสาวกห ร, รือเปล่าครับเราได้เคยรับการฝึกอบรมให้อ่านพระคัมภีร์เป็นประจําทูลขอพระเจ้าอาธิษฐานวิงวอนเป็นประจําที่จะทรงนําชีวิตของเราเราได้เคยนําผู้อื่นมาเป็นคริสเตียนและสร้างเขาหรือเปล่าครับหากยังไม่มีนะครับนี่คือวิธีหนึ่งและนี่คือคําเรียกร้อง จากผมเองที่อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสลุกขึ้นมาครับเพื่อที่จะมีชีวิตที่เป็นสาวกพระเยซูอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เป็นคริสเตียนธรรมดาเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้เราจะเกิดผลมากนะครับพี่น้องครับการเกิดผลมากนะครับจะเกิดในชีวิตของสาวกนะครับเรากำลังรับใช้พระเจ้าอะไรอยู่เปล่าครับอะไรที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเรากำลังสนใจงานของพระเยซูนะครับ พระเยซูห่วงใยคนเจ็บไข้ได้ปว่วยเราออกไปเยี่ยมเยียนคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่าครับพระเยซูทรงสอนพระวจนะของพระเจ้าและสร้างสาวกเราได้ทําหน้าทีน่นี้โดยการที่เราสอนพระวจนะของพระเจ้าเรานําคนมารับเชื่อพระเยซูสอนให้คนกลับใจใหม่และให้คนเป็นสาวกจริงๆหรือเปล่าครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระเจ้าที่จะให้เราน้อมรับการฝึกอบรมการเป็นสาวกหากที่จัดใดยังไม่มีกระบวนการการสร้างสาวก ผมขอหนุนใจว่าเราควรจะมีครับขอพระเจ้าอวยพอรอาเมน